การทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคนโดยส่วนมากไม่รู้ว่าการทำบุญแบบไหนถึงเกิดประโยชน์สูงสุดทำบุญในลักษณะไหนได้บุญที่สุดเราได้แต่ทำตามกันมาแต่ไม่รู้ว่าทำบุญเรื่องไหนได้อานิสงส์ที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องบุญแล้ว อะไรที่เป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถือว่าเป็นบุญทั้งหมดแต่ให้แบบไหนให้อย่างไรจึงจะเป็นบุญที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดทั้งผู้ให้และผู้รับขอตอบว่าการวางได้บุญที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดเกิดประโยชน์สูงที่สุด ทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วเขาวางกันอย่างไรละ่ะก็วางจากภายในใจเรานี้อย่างไรเล่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการวางภายในใจเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดยากกว่าการให้ทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้ยากเท่าแต่เราไม่เคยทำ หรือทำไม่เป็นหรือไม่มีใครสอนวิธีที่ถูกต้องให้เราทำตามการวางภายในใจได้ผลบุญมากที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดทั้งตัวเราเองและผู้อื่นได้อานิสงส์มากที่สุดมากกว่าการเอาแก้วแหวนเงินทองของมีค่าในสากลจักรวาลทั้งหมด ทั้งหมดมากองรวมกันแล้วน้อมถวายแด่องค์พระพุทธเจ้าผลบุญที่เกิดก็ได้แค่ในชาติหน้าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติอยู่ดีแต่การวางภายในใจนี้ทำคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นพระพุทธเจ้าทำคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นพระอาหารหันต์แค่การวางนี้นะมันมีอนุภาพมีพลังขนาดนั้นจริงหรือใช่ครับก็ลองคิดดูว่าอนุภาพมากมายมหาศาลอนุภาพที่มีประโยชน์ต่อจิตญาณในทุกภูมิทุกชั้น ในสากนนี้คืออนุภาพของอะไรละ่ะถ้าไม่ใช่พุทธานุภาพอารหันตานุภาพซึ่งเป็นอนุภาพที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังในการปลดปลื้งทุกในดวงจิตเลื่อนภูมิเลื่อนชั้นไปจุติในภพภูมิที่ไม่ทุกทรมานหรือแม้กระทั่ง เป็นพลังในการเหนี่ยวนำจิตตญาติทั้งหลายออกจากกองทุกข์จบการเวียนว่ายตายเกิดได้ทีเดียวนี่คืออนุภาพที่มีมหาอนันตคุณไพศาลมีประโยชน์จนประมาณค่าไม่ได้ซึ่งท่านได้แผ่มาให้สัพพสัตว์อยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจา้าพระอรหรันต ท่านทําอะไรละ่ะถึงมีอนุภาพจิตมากมายขนาดนั้นคําตอบคือท่านทร i n วางให้ดูไม่เอาให้ดูไม่ยึดติดให้ดูเพราะฉะนั้นการวางนี่แหละที่ก่อเกิดเป็นอนุภาพทางจิตมากมายมหาศาลสามารถช่วยเหลือจิตตญาณทั้งหลายได้อย่างกว้างขวางเป็นอนุภาพจิต ที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังมหาศาลพลังมหากุศลเป็นพลังมหาบารมีที่สามารถแร่ไปช่วยเหลือจิตาติ์ยาต่างๆได้อย่างไม่มีจำกัดเพราะฉะนั้นการปล่อยวางทางใจหนึ่งครั้งในหนึ่งวันหรือในหนึ่งขณะจิตเราได้สร้างมหาอนุภาพ มหาบุญมหากุศลมหาบารมีแล้วเป็นกำลังเป็นพลังที่สามารถล้างสภาวะภายในใจเราที่มันอึดอัดไม่สบายใจรำคาญใจมนหมองใจเศร้าใจหรืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ภายในใจการวางแค่หนึ่งขณะจิต มันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานที่มีกําลังมากมายในการล้างสิ่งที่มันติดขัดข้องคาอยู่ภายในใจเราได้แล้วที่สําคัญกว่านั้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อื่นรวมถึงจิ ต, ตายาทั้งหลายในสาลนี้คือเขาได้น้อมเอาไปใช้ในการคลายทุกข์คลายสภาวะข้องคาในจิต ของเขาในภพภูมิต่างๆได้อีกด้วยเราแค่วางทางใจอย่างเดียววางวางวางแล้วก็วางวางก็คือไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลิกเข้าไปยุ่งกับภาวะภายในใจแล้วการวางที่วางเขาวางตรงไหนเขาวางกันอย่างไร เขาวางกันแบบไหนละ่ะหรือต้องวางหน้าที่การงานครอบครัวลูกเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องทิ้งให้หมดไม่เอาทั้งทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใครวางแบบนี้หรือเปล่าคำตอบว่าไม่ใช่ ใครที่คิดแบบนี้คุณกําลังเข้าใจผิดจริงๆแล้วเขาวางที่ใจวางจากภายในใจไม่ใช่วางสิ่งของภายนอกกายภายในใจเรามีอะไรบ้างที่ต้องวางมีอารมณ์มีความรู้สึกความนึกคิดรุงแต่งมากมายร้อยแปดพันเก้า เหล่านี้เมื่อจับมากองรวมกันก็แบ่งออกได้สองกองก็คือความพอใจและความไม่พอใจต่อให้เป็นกิเลสตัณหาอุ ป, ปทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผุดขึ้นมาในใจก็สรุปรวมลงได้แค่ความพอใจและความไม่พอใจ เหล่านี้วางให้หมดการวางก็คือไม่เข้าไปยุ่งกับมันอีกเช่นเมื่อก่อนเวลาเรามีความรู้สึกพอใจพุทธขึ้นมาภายในใจเราก็จะพยายามเข้าไปกอดรัดฟัดเวทกับมันเต็มที่เข้าไปอินกับมันเต็มที่เข้าไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกับมันเต็มที่ ไปประดิษฐ์ความเป็นตัวฉันจอมปลอมให้กับความรู้สึกที่พอใจนั้นๆแบบเต็มที่พอความรู้สึกไม่พอใจผุดขึ้นมาในใจเราก็พยายามเข้าไปผลักดันมันเต็มที่เข้าไปคอยดับคอยดับความรู้สึกนั้นเต็มที่เข้าไปพยายามสอดส่องอย่าให้มันผุดขึ้นมาในใจเราอีก พยายามทํากับมันเต็มที่แต่ต่อไปนี้การวางอันแท้จริงคือเลิกเข้าไปยุ่งกับมันอีกไม่เข้าไปทําอะไรกับมันอีกไม่เข้าไปสนใจใส่ใจกับมันอีกไม่ว่าอะไรจะผุดขึ้นมาในใจเยอะแยะมากมายขนาดไหนอะไรจะเกิดขึ้นก็วางกับมัน อะไรจะไม่เกิดขึ้นก็วางกับมันธรรมดาธรรมดากับมันวางใจว่าจะดีหรือร้ายที่มันมีผลกับกจิตใจเรามันก็แค่ผ่านมาแค่ชั่วคราวสักพักมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรไม่ร้อนรุ่มกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเรา ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทีไม่ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วนี่คือการวางอันแท้จริงเมื่อธรรมดาธรรมดากับสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะไม่กระเพื่อม จิตจะไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะจิตมันได้คืนสู่สภาพปกติดั้งเดิมของมันคือเป็นอิสระดั้งเดิมจากการที่หลงทยานดิ้นรนไปหลายภพหลายชาติก็จะได้คืนสู่ ส, สภาพปกติซักทิการวางอันแพ้จริงตรงนี้คือการข้ามทุก ทั้งปวงได้จริงๆคือการจบการเวียนไหวตายเกิดได้จริงๆแค่ไม่อะไรกับอะไรต่อสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจแล้วหากมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างอยู่ภายในใจมันจะค่อยๆคลายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆดับไปเองเรื่อยๆ จนมันถึงที่สุดคือไม่เกิดไม่ดับอีกภายในใจถึงตรงนี้เราก็สามารถอยู่ได้ในทุกสิ่งแวดล้อมอย่างปกติธรรมดาแต่ความทุกข์ภายในใจไม่เกิดขึ้นมาได้อีกเลยสามารถอยู่กับผู้คนอยู่กับครอบครัวอยู่กับหน้าที่การงานได้เหมือนเดิม เหมือนปกติที่เราเคยอยู่เคยเป็นแต่ความทุกข์ในใจไม่หลงเหลืออยู่อีกเลยความทรมานความเล่าร้อนทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าการหลุดพ้นหรือนิพพาน มีสิ่งที่ถูกสอนกันอยู่ในปัจจุบันว่าการนั่งสมาธิได้บุญที่สุดเกิดผลบุญมากที่สุดแท้ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดการนั่งสมาธิไม่จัดว่าเป็นบุญได้การนั่งสมาธิจริงๆแล้วเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจจากที่เมื่อก่อน ใจเราจะโลดแล่นปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นไปกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสิ่งที่เข้ามาสัมผัสผิวกายหรือปรุงแต่งกับสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจแต่การทำสมาธิช่วยให้เราย้อนกลับมาเห็นต้นเหตุ คือในใจเรานี้แล้วเราจะได้น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติโดยการแก้ที่ใจเสียก่อนมันคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทางปวงสรุปแล้วการทําสมาธิเพื่อให้เราได้โฟกัสกลับมาที่ใจแล้วได้น้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาจาก ภายในใจไม่ได้เป็นการสร้างบุญสังสมบุญอะไรตามที่เข้าใจผิดกันในปัจจุบันเลยเพราะครูบาอาจารย์รุ่นหลังทายทอดสั่งสอนกันมาแบบนั้นเพื่อพยายามชักจูงให้คนมาฝึกสมาธิโดยใช้วิธีการโฆษณาต่างๆว่าการทำสมาธิได้บุญมากมาย ได้อันิี่ส่งมากเป็นการโฆษณาว่าเป็นการสะสมบุญวันลนิดทําไปเรื่อยๆยิ่งนั่งได้นานๆยิ่งสะสมบุญได้มากจริงๆแล้วเป็นการโน้มน้าวให้คนหันมาสนใจการฝึกสมาธินั่นเองฉะนั้นความสงบอันแท้จริงหรือความพ้นทุกข์อันแท้จริง ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการหนีโลกหนีความวุ่นวายแต่มันคือการเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติของมันเองอยู่อย่างนั้นเราทั้งหมดทั้งมวลอาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้เราไม่มีหน้าที่ ไปฝืนความจริงของธรรมชาติแต่หมายถึงกลมกลืนเรียบร้อยเป็นเนื้อเดียวไปกับธรรมชาตินี้ส่วนความทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่งวิธีการหลอกตัวเองแบบไหนอีกแค่เลิกเข้าไปทุกข์กับมันแค่เลิกเข้าไปทุกข์กับการใช้ชีวิตการกินการอยู่การทำงาน การอาศัยการหลับนอนแค่เลิกเข้าไปทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บและการตายแค่เลิกเข้าไปทุกข์กับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้รู้สิ่งที่ได้รู้สึกและสิ่งที่ได้สัมผัส แค่เลิกเข้าไปทุกข์กับมันมันก็จะพ้นทุก์ปัจจุบันได้ไปทุกขณะทุกขณะโดยตัวมันเองแค่นี้เองแค่นี้เองนี่คือการวางอันแท้จริงแล้ว